บุ๊กทูสี่สิบสอง Divine s t การเที่ยวเมือง Oglad m i s t e ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจัน์ใช่ไหมครับเยเซียมอ p โ n นเดลคิชออทเปิร์ตนิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับเยาราสตาวาอปทอร์คิชออ t เป r t ์ตสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับเยจิวัลสกิวเวิร์ตอปสเรดัชออ t เปิร พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันเพื่อรหัสบ ป, ปดีใช่ไหมครับยมูเบเชเ ท, ท, อ, รท อ, อร์ตกิชอ็อดหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับย g a l e r สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับเซ ส, สมี่ฟอโตก a าฟีร์ตต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ จะบะ p l a a ทีตนีน้อข้าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ c o l i o s t a n e s t p n i c a มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Obstaja p o p u s t za skupine มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Obstaja p o p u s t za otroke มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Obstaia propust, the studente? นั่นตึกอะไรครับ Cactus gradbaito? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Cacostara, itas gradba? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ กฏผมสนใจในสถาปัตยกรรม t h Nima Me a r h i t e k t u r a ผมสนใจในศิลปกรรม The Nima Me Umetnost ผมสนใจในจิตกรรม The Nima Me Slikarstvo